าพึงทราบว่าเปรียบเหมือนภาวะที่ฟองไข่ไม่เน่าเพราะแม่ไก่ทำกิริยาสามอย่างให้ถึงพร้อมการที่ความสิเนหาคือความใครใจที่ติดอยู่ในภพทั้งสของภิกษุนั้นสิ้นไปเพราะทําอนุปัสนาสามอย่างให้ถึงพร้อมพึงทราบว่าเปรียบเหมือนการที่ยางเหนียวของฟองไข่ทั้งหลาย สิ้นไปเพราะแม่ไก่นั้นทํากิริยาสาอย่างอย่างเหนียวสิเนหาสิเนหาเนี่ยยางเหนียวอย่างเหนียวที่ยินดีในกามาพบรูปประพบอรูปประพบก็คือถ้ายินดีในการมาพบเนี่ยการมาพบแบ่งออกเป็นกี่อย่างกามาพบแบ่งออกเป็นกี่อย่างกามาพบเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างเนาะสองอย่างก็คือกรรมมพบกับอุปาติพบนะถ้ายินดีในกรรมาพบ ยินดีในกุศลอากุศลแล้วก็ยินดีในวิบากของสิ่งเหล่านั้นอันนั้นเป็นสิเนหาที่มีในกรรมภพและอุปติภพที่เป็นการมภูมินั่นนะที่เหลือในยะเดียวกันเพรา ะ, ะนั้นไอสิเนหาคือความใคร่ความยินดีความติดใจในภพทั้งสานี่นะของพิสุทธ์สิ้นไปเพราะอนุ ป, ปัสนาอันท่าแม่ไก่เนี่ยมีการนอนทับมีการกกมีการฟักอยู่เนี่ยนะ มันก็เหมือนกับอนุปัสนาของภิกษุเพราะฉะนันยางเหนียวคือในตัวข้างในฟองเนี่ยนะยางเหนียวอันนั้นมันก็ค่อยๆเหือดแห้งไปการที่กระเปาะฟองไข่คือวิชาของภิกษุบางเพิ่งทราบว่าเปรียบเหมือนการที่เปลือกฟองไข่เนี่ยบางนะเปลือกในี่ทีแรกมันจะหนาถ้าฟักไปแล้วเนี่ยเปลือกจะเหลือบางมากว่ากันะเปลือกมันจะค่อยๆบางไปเนี่ย อันนี้ไอ้ของพวกเราก็คื อ, อวิชามันค่อยๆบางไปเรื่อยการที่วิปัสสนาญาณของภิกษุกล้าแข็งผ่องใสและแกล้วกล้ า, ลาพึงทราบว่าเปรียบเหมือนการที่ปลายเล็บเท้าและจงอยปากของลูกไก่ทั้งหลายกล้าแข็งญาณกล้าแข็งก็เหมือนกับกรงเล็บของลูกไก่เนี่ยแข็งขึ้นนะ เวลาที่วิปัสสนาญาณของภิกษุแก่กล้าเจริญได้ที่พึงทราบ ว, ว่าเปรียบเหมือนเวลาที่ลูกไก่ทั้งหลายเจริญขึ้นนะโตเต็มที่ในฟองนั่นแหละเวลาที่ภิกษุนั้นถือเอาวิปัสสนาญาณได้แล้วเที่ยวจาริกไปได้ฤดูเป็นสปายะขนาดอนุปัสนาบริบูรณ์นันนะต้องอุตุสปายะโพชนะสปายะบุคคลสปายะหรือการฟังธรรมเป็นสปายะ อันเกิดแต่วิปัสนาญาณนั้นแล้วนั่งอยู่บนอาสนะเดียวนั่นแลเจริญวิปัสนาทําลายกระเปาะฟองคืออวิชชาด้วยอรหัตตมรรคที่บรรลุแล้วตามลําดับเอาสุดยอดเลยนะปรบปีกคือพิญญาแล้วสําเร็จเป็นพระอรหันโดยสวัสดีตัวแรกที่ออกมาได้ก็คือใครพระพุทธเจ้านี่พระองค์บอกว่าพระองค์เนี้ยออกได้ก่อนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพี่อย่างนั้นเ่ย เพิ่งทราบว่าเปรียบเหมือนเวลาลูกไก่เอาปลายเล็บเท้าหรือจะ ง, งอยปากกระเทาะกะะกระปาะฟองไข่กระพือปีกแหวกออกมาได้โดยสวัสดีแล้วกั้นอภิน ญ, ญาของพระาหัน์เหมือนกับไก่บินได้นะตกปีกบินได้เนี่ยเหมือนกับอภิน ญ, ญาของพระาหันอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าแม่ไก่ทราบว่าลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วจึงจิกกระเปาะฟองไข่ชั้นใด บางตัวเนี่ยนะลูกไม่ต้องจิกเองเดี๋ยวแม่ไปจิกให้นะแหวกให้มันฝ่ายพระศาสดาก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนแม่ไก่เหมือนกันทรงทราบว่ายานของภิกษุเห็นปานนั้นแก่เต็มที่แล้วก็ทรงแผ่แสงสว่างไปนะใครมั่งที่พระองค์แผ่แสงสว่างไปแล้วได้รลลุ้เลยยกตัวอย่างนะพระประตาจาราเทรีนี่ก็แผ่ก็แผ่ไปอ่า พระวกคิเทระพระองค์ก็แผ่ไปพิกษุที่พระพุทธเจ้าแผ่โอภาสไปแล้วแสดงธรรมเนี่ยอย่างพระโปทิระเนี่ยพระองค์ก็แผ่แผ่แสงสว่างไป แ, แล้วก็ไปแสดงธรรมต่อหน้าเลยแล้วทำลายกระเป๋ะฟองไข่คือวิชาคนะาถาที่พระองค์เจาะให้แทนเนี่ยคือคาถาเช่นว่าจงถอนความสเสน่หาของตนขึ้นเสียเถิด ตัดเยื่อใยเสถียรต่างกันนอรไปถึงก็บอกว่าตัดเยื่อใยในอารมณ์นั้นซะให้เหมือนกับถอนดอกโกมุตนะเหมือนกับถอนบัวที่บานในฤดูสาสาธธากานอะนะก็ตัดความเยื่อใยในในภพสามเหมือนกับถอนบัวซะต่างนกะันนอรด้วยมือของตนฉะนั้นขอเธอจงเพิ่มพูนทางแห่งสันติเถิดอะนะเพิ่มพูนทางแห่งพระนิพพานทางแห่งพระนิพพานก็คือ อริยมรรคงนันเพิ่มพูนอริยมรรคนะซึ่งจะเข้าถึงทางแห่งความสงบพระนิพพานพระสุคตเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนี น, นะพระสุคตก็คืออ น, นะผู้เสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะทรงแสดงไว้แล้วบงนันนะพระนิพพานพระองค์แสดงไว้แล้วเวลาจบคาถาภิสูจนนั้นทําลายกระเปาะฟองเขื่อวิชาแล้วได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อแต่นั้นมาก็เป็นพระมหาขีนาสบแม้อย่างนี้ก็เข้าพระสมมาบัต ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วท่องเที่ยวไปทำให้สังขารามนะสังขารามก็คือวัดะนะวัดของสง์เนี่ยงดงามแต่ถ้าหากว่ายังมีกิเลสอยู่นะก็บอกว่าโอ้โหโชยกลิ่นเหม็นอยู่ทั่ววัดเดีนอ่าสำนวนที่พระพระที่ทำสังอ่าสังคีตินะพระกลมพระมาหากะส ป, ปะเป็นต้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพระอนุนยังเป็นทศดาบันก็บอกโอ้มีภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยเที่ยว ปล่อยโช่กลิ่นเหม็นว่างั้นนะพระนนท์ในสังเวทใจหน้าดูเหมือนกันก็มีอยู่เราอีกคนเดียวทั้งวัดอย่งนั้นเลยนะ <c oughs> อ่าพระโสดาบันเนี่ยนะโอ้ยมีที่สื่รูปหนึ่งครับที่ยวปล่อยกลิ่นเหม็นอยู่วนะ่างั้นถือว่ากลิ่นไม่ดีมากยังเป็นพระโสดาบันนี่ยังละกิเลสไม่ได้โอ้ยทันกันหน้าดูเดินจงกลมใหญ่เลยกันนี่ <c oughs> ะนะกายัคตาสติเนี่ยมั่นมากว่างนะั้นเดินจน เอ๊ะมาทำไมไม่ได้บรรลุสักทีอ่ะฟุ้งนิดนิดแล้วก็นึกถึงคําสอนแล้วก็ผ่อนปรับอินทรีย์ให้เหมาะสมก็บรรลุเลยเพราะฉะนั้นการทําสังขารามให้งามก็เปรียบเหมือนลูกไก่เหล่านั้นท่องเที่ยวไปทําคามาเขตให้งดงามเช่นั้นทีนี้จะเข้าเนื้อหาที่ที่จะกล่าวถึงได้ว่าจับด้ามมีดเนี่ยนะดูก่อนที่โศทั้งหลาย รอยนิ้วมือหรือรอยหัวแม่มือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ย่อมปรากฏที่ด้ามมีดให้เห็นแต่ว่าช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้วานนี้สึกไปเท่านี้วานซืนนี้สึกไปเท่านี้มีความรู้แต่เพียงว่า ด้ามมีดนั้นศึกด้ามมีดนั้นศึกนะรู้อยู่ว่ามันมันมันึกไปเรื่อ ย, อยนะแต่ไม่ไม่ได้วัดว่ามันสึกไปกี่กี่กี่กี่มิลกี่อะไรเงี้ยไม่ได้เวยแต่รู้ว่ามันมันบางไปเรื่อยๆด้ามมีดนั้นดูความพิสูุนทั้งหลายภิกษุประกอบเนืองๆซึ่งภาวนาโนโยกอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันถึงแม้จะไม่มีความรู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปเท่านี้ วานนี้สิ้นไปเท่านี้วานซืนนี้สิ้นไปเท่านี้ก็จริงแต่เธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วสิ้นไปแล้ว <iscilla> คืออวิชชาสวะเนี่ยพอความรู้เกิดใช่ไหมไอความไม่รู้มันก็ค่อยหมดไปใช่ถ้าแต่รู้ว่าเออความรู้เราเพิ่มแล้วล่ะแต่ว่าความไม่รู้เนี่ยมันละไปเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่รู้ว่าความรู้เพิ่มไอความไม่รู้มันลดไปความยินดีในอารมณ์นเนี่ยลดลงไป เนี่ยนะความไม่ยินดีในอารมณ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้น น, นะการมาสะวะเป็นต้นเนี่ยนะก็จะไม่ไม่เพิ่มแล้วก็มีแต่ความไม่ยินดีในในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกามเหล่านี้ก็ไม่ยินดีอันรู้แต่ว่าไม่ ย, ยินดีในวัตถุ ก, กาม น, นะและรังเกียจในกิเลสกามรู้แต่ว่าเพิ่มความรู้เหล่านี้เพิ่มขึ้น <meg an> เพิ่มขึ้น <meg an> <enjoying> แต่ว่าไม่รู้ว่ามันหมดไปเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันใช่ไหมพระโสดาบันแล้วเท่านั้นแหละจึงจะรู้ว่าเท่าไหร่อย่างไร ดูก่อนพิสูุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่เขาผูกด้วยเชือกผูกคือไวนะไว้ที่แช่อยู่ในน้ำหกเดือนในฤดูหนาวลากขึ้นบกเชือกคือไว้ที่ถูกลมและแดดผัดเผาถูกเมฆฝนตกชร้รดก็จะเปื่อยผูกไปโดยไม่ยากนักฉันใดดูก่อนพิสูุทั้งหลายเมื่อพิกษุประกอบเนืองๆซึ่งภาวานาโนโยกอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัญญอดก็จะเสื่อมสิ้นไปโดยไม่ยากเลยพระองค์ไม่ได้พูดให้มันยากนะพระองค์พูดให้ง่ายนะฟังดูแล้วนะไม่ได้โอ้ยมันยากลุกซึ้งเหกินน่ยนะจนปฏิบัติตามไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือพูดในลักษณะว่าอาสวะทั้งหลายค่อยๆเสื่อมสิ้นไปค่อยๆหมดไป ในอรตถกถาที่บายว่าบทว่าพระพันดัสะได้แก่ช่างไม้จริงอยู่ช่างไม้นั้นเรียกกันว่าพระพันดเพราะตีเส้นบรรทัดคือโอสัมมนกะแล้วเปิดปีกไม้ออกไปเนี่ยาวาศิชาเตได้แก่ที่สําหรับจับของมีดเนี่ยนะที่มีด้ามมางั้นเถอะที่จับมีดนั่นแหละเรียกว่าด้ามมีดมางั้นบทว่าเอตกังวาเม อ, อาชาอาสวานังขีนางเมียที่บายว่า ก็อาสะวะทั้งหลายของบรนประชิดไม่พูดคารวะาเลยเนาะมาจะให้กําลังใจกันบ้างนะคารวานะมาฟังนั่นเยอะกว่ า, านะเขาบอกว่าอาสะวะทั้งหลายของบรนประชิตสิ้นอยู่เป็นนิพตแสดงว่าสิ้นปกติว่างั้นเถอะสิ้นเป็นประจำเพราะอุเทศอาสะวะนี่จะหมดไปได้เพราะอุเทศอุเทศคืออะไรก็คือการเรียนการสวรดการท่องการสาธยายนี่แหละเพราะปริปุชาการไต่รทม เพราะการทําไว้ในใจโดยแยบไข่เพราะโยนิโสมนัสิกานและเพราะวัดปฏิบัติเนี่ยนะเพราะประพฤติข้อวัดต่างๆตามพระป่าธรรมเนี่ยนะโดยย่อก็คือการบรนประชาคื อ, ค, อคือคนที่บรนประชาสามารถทํากิจเหล่านี้ได้บริบูรณ์เหมงอนกันเถอะ <c oughs> และเมื่ออาสวะเหล่านั้นกําลังสิ้นไปอยู่อย่างนี้ท่านไม่รู้อย่างนี้ดอกว่าวันนี้สิ้นไปเท่านี้เมื่อวานสินนนสนส้นไปเท่านี้เมื่อวานซืนสิ้นไปเท่านี้ท่านไม่รู้หรอก แต่ว่าความรู้ในคําสอนเพิ่มขึ้นใช่ไหมความรู้ในคําสอนเพิ่มขึ้นแต่ว่าไอความไม่รู้ลดลงรู้แต่ไม่รู้ว่ามันหมดไปเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนิสงค์ของวิปัสสนาไว้ด้วยอุปมานี้บทว่าเฮมันติเกนะได้แก่โดยสมัยแห่งเหมันตารดูบทว่าปฏิปัติสัมพันติได้แก่เครื่องผูกคือไว้ทั้งหลายย่อมเสือเออ่อมสินส้นไปเพราะชราภาพมันสุดโซมันนะ คล้ายๆกับว่าแช่น้ําเอามาตากมันก็ค่อยๆเปื่อยค่อยๆผุไปเรียกว่าชาราภาพในบทว่าเอวเมโคนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงที่สังโยชน์หย่อนกําลังลงด้วยอุปมาณนี้นะถ้าถ้าประพฤติตามนี้ไปเนี่ยสังโยชน์เนี่ยเครื่องผูกเนี่ยนะก็เหมือนกับ เ, เชือกหวายใช่ไหมมันก็ค่อยๆหย่อนกําลังลงาศาสนาพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพโยคขวจร พึ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนเรือการที่ภิกษุนี้ท่องเที่ยวไปในสำนักอุปชาอาจารย์ในเวลามีพรรษายังไม่ครบ5้าพึ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เรือลอยวนอยู่ในกลางทะเลหลวง น, นะก็คือยังอยู่กับครูกับอาจารย์อยู่นะความที่สังโยชน์ทั้งหลายของภิกษุเบาบางลงเพราะอุเทศการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นและปริปุชชาเป็นต้นนั่นเอง นะโดยโย่อก็คือการบวชพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เชือกผูกเรือถูกน้ําทะเลหลวงกัดกร่อนจนบา ง, างนะก็ไล้เชือกไว้อันนี้พออยู่ในทะเลมันก็จะค่อยๆกร่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมพออย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาที่ศึกษาและปฏิบัติถูกต้องเหมือนกับทะเลหลวงนั่นแหละเวลาที่ภิกษุผู้เป็นนิสัยมุตตะคือพ้นหพรรษาพ้นนิสัยไปแล้วมีองค์คุณ าสาหรับพิสูจผู้พ้นนิสัยเนี่ยนะเรียนกรรมฐานแล้วไปอยู่ในป่าพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนเวลาที่เรือถูกยกวางไว้บนบกการที่สเสนหาคือตันหาเหือดแห้งไปเพราะวิปัสนาญาณพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนเชือกผูกเรือแห้งเพราะถูกลมและแดดในตอนกลางวันการที่จิตชุ่มชื่นเพราะปีติปรามโมท อันอาศัยกรรมฐานเกิดขึ้นพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เรือชุ่มชืน้นเพราะถูกน้ําอันเกิดจากน้ําค้างในตอนกลางคืนนะเขาบอกว่าไอเชือกนั้นจะเปื่อยจะเน่าเนี่ยนะกลางคืนถูกน้ําค้างเนี่ยชุ่มใช่ไหมกลางวันเนี่ยแดดเผากลางคืนถูกน้ําค้างชุ่มเป็นลักษณะนี้ไม่นานของเหล่านั้นก็จะผุจะเน่าจะเปื่อยไปเร็วการที่ภิกษุได้อุตุเป็นสัปายะเป็นต้นในวันหนึ่ง ได้วิปัสนาญาณกรรมฐานแล้วมีสังโยชนเบาบางลงมากมายเพราะปีติและปราโมทอันเกิดแต่วิปัสนาญาณ น, นั้นนะเจริญวิปัสนาแล้วมีความเอิบอิ่มใจมีความปีติปราโมทเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนเครื่องผูกเรือนะที่แห้งในตอนกลางวันเพราะถูกลมและแดดและเปียกชื้นในตอนกลางคืนเพราะน้ำเกิดจากน้าค้าง อรหัตตมัคคยานเพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนเมฆฝนการที่พิสุผู้เริ่มเรียนวิปัสสนากรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาโดยเป็นรูปสัตกะเป็นต้นรูปสัตกะและอรูปสัตกะอรูปหมวดเจ็ดนนะนะหมวดเจ็ดก็คือวยโยวยะวุธะอาธานะนิเขปะวยโยวยะวุธะนันะนะกรรมชรูปจิตตชรูปอุตตรูปอาหารชรูปแล้วก็ธรรมตารูปนนะนะก็คือ ข right? ้อแรกกันไหมวโยอาธานะนิเคปะกล่าวถึงชีวิตตั้งแต่อาธานะแปล ว, ว่าปฏิสนธินิเคปะปล่อยไปนี่ก็คือจุติเนี่ยนะก็คือวิจัยชีวิตตั้งแต่จุติกับปฏิสนธินั่นเองเสร็จแล้ววโยวยะวุฒ า, าก็มาซอยชีวิตเนี่ยนะร้อยปีมาแบ่งเป็นสาวัยร้อยปีมาแบ่งเป็นสิบส่วนร้อยปีแบ่งเป็นยี่ส้าส่วนร้อยปีแบ่งเป็นห้าสิส่วนเนี่ยนะปีหนึ่ง มาแบ่งเป็นสามฤดูอย่างเงี้ยค่อยซอยผามาเรื่อย ๆ, ๆอ น, นะอย่างนี้เขาเรียกว่าวโยวยวุฒะเสร็จแล้วก็ธรรมะกรรมเอาเรื่องกรรมชรูปมาเพ่งองนี้นะกรรมกรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่มีกรรมเป็นสมุฐานอย่างเงี้ยเป็นต้นเอามาเพ่งเรื่องนี้แล้วก็จิตเชรูปก็ในยะเดียวกันอาหารชรูปอุตุชรูปและธรรมตารูปธรรมตารูปก็คือเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าจะได้รับการไข้ครวนการเพ่งหมดเลย ในในิย่าเดียวกันแต่ใคร่ควรวนเพื่อลงไตลรลักษณ์เสร็จแล้วก็พิจารณาอารูปสั ต, ตกะคือพิจารณาถึงนามว่านามที่ไปพิจารณารูปนั้นเนี่ยนะพิจารณารูปว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานามที่ไปพิจารณาหรือปัญญาที่ไปพิจารณานามอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการพิจารณาซ้อนกันหลายเท่าเนี่ยนะมีการพิจารณาซ้อนกันเป็น10ครั้งวางกันเลยพิจารณาซ้อนกันเป็นสิบครั้ง แล้วก็เพิกตันหาเพิกมานะเพิกทิฏฐิเพราะฉนนั้นทั้งรูปสัตกะและอรูปสัตกะเมื่อกรรมฐานแจมชัดเข้าแจมชัดเข้าไปตามนี้นะอันนี้ถ้าถ้าพูดกล่าวลักษณะนี้เขาเรียกว่าก่อนที่อุทยพย า, ยานจะเกิดอ่านะเป็นเป็ น, ป น, ปนตรณะปริญญา น, นั่นเองอันนี้เรื่องนี้เกิดจากขึ้นโดยการใข้ครควรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมฐานชัดเข้าชัดเข้า นะสามารถที่จะเห็นเหตุเกิดและความดับนะวันหนึ่งได้อุตุเป็นสัปปายะเป็นต้นต้องรอร้องรอ ด, ดูด้วยนะต้องรออุตุด้วยนะอากาศร้อนๆไม่ได้บรรลุมัง้งนะู้นั่งขัสมาธิครั้งเดียวไม่ลุกขึ้นอีกแล้วได้บรรลุอรหัตผลอาสนะเดียวเนี่ยโหเรียบร้อยถอนนะเหมือนถอนดอกบัวงนัะ้นเลยเนาะเพิ่งเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เรือมีน้ำฝนเต็มลำ การที่ภิกษุนั้นสิ้นสัญโยต์แล้วเป็นพระอาหารหันยังไม่ได้อนุเคราะห์มหาชน น, นะยังดำรงอยู่ตราบจนสิ้นอายุไขพึงเห็นว่าเปรียบเหมือนการที่เรือซึ่งมีเชือกผูกเปื่อยแต่ก็ยังจอดอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ไม่ได้สงเคราะห์ อ, อะไรใครเท่าไหร่เวลาที่พระขีนาศบปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุโดยการนั่งคาสมาที่ครั้งเดียว เพราะอุปาทินหน้าันแตกสลายไปแล้วเข้าถึงความเป็นผู้หาบัญญัตินี้ได้พึงเห็นว่าเปรียบเหมือนเวลาที่เรือมีเชือกผูกเปื่อยกร่อนขาดไปทีละน้อยทีละน้อยจนเข้าถึงความเป็นสภาพหาบัญญัตินี้ได้นะไม่เหลือเรือไม่เหลือเชือกเลยนะหมดสิ้นองนั้นเลยอันนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุ แต่สังเกตดูนะจากข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องจับด้ามมีดนั้นกล่าวถึงอุเทศปริปุชายโยนิโสมนัสิการและข้อวัดปฏิบัตินี่นะอันนี้ตามข้อความในนาวาสูตรเนี่ยนะจบข้อความในนาวาสูตรก็ทําให้ใจเชื่อนข้ น, นไปไเออการอุเทศปริปุชายโยนิโสมนัสิกาเนี่ยเหมือนจับด้ามมีดมนั่นแหละนะถ้าหากว่าเพิ่มพูนไปเนี่ยถึงยังไม่รู้ว่ามัน มันสึกไปเท่าไหร่นะด้ามมีดอุปมาสามนายเจนพานอุปมาแรกก็เหมือนกับฟองไข่นะอุปมาเหมือนไข่อุปมาที่สองจับด้ามมีดอุปมาที่สามาเชือกไว้ที่ผูกเรือคือที่ว่าแต่ก่อนนี้ก็เคยฟังสูตรนี้แล้วก็<อ>เข้าใจตื้นๆเช่น สมมติว่าเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยเสียงสุนัขเนี่นะแล้วก็เกิดสติขึ้นพิจารณาเสียงนั้นนั่นรูปธรรมได้ยินนี้เป็นนามธรรมาแล้วดูที่สองอย่างนี่มันนั่นรูปธรรมมันแตกต่างกันนามธรรมาแม่นี่ถือว่าเป็นจะ เ, เป็นการจับดัมมิดแล้วทําไถ่เชื้แล้วก็จะดัมมีดจะสึกเองก่อนนี้เข้าใจอลไรเพียงง่ายง่ายเพียงเท่านั้นแล้วไม่เคยมีความรู้เรื่อง ปัจจัยของนามของรูปไม่รู้การเกิดการดับคุณโทษอะไรไม่รู้ทั้งสิน้นนะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆว่าเออบบดำดำม่มจะสึกเอาสักวั น, นสักสร<ล>ะยะอะไรอย่างนง้นโอ้ทุกมือจะสึกดำ ม, มีดก็จะหนาขึ้นมากกว่าครับวันนี้ก็ต้องกลับไปอ่านใหม่อีกทีครับ เ, ออเพราะาว่าสังยุตตานิานนายขันธวารวักนี่ผมผมชอบมากทั้งเล่มเลยนะครับแต่ก็ระยะนี้ก็ทิ้งมานานมากครับ เล่งนั้นขีดเขียนไม่เลอะเทอะเยอะเหมือนกันนะครับคงไปอ่านใหม่คงจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเจแต่ว่าถ้าเข้าใจเรื่องตีระณะปริญญาพอสมควรนะถ้าเข้าใจพื้นฐานไอ้เรื่องปัจจัยดีแล้วเข้าใจเรื่องตีระณะปริญญาแล้วอ่านวางไม่ลงเหมือนกันออมานี่เอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราไม่ค่อยอ่านใช่เอ่นนอถ้าใครจะไปอ่านก็ถ้าใครอยากจะเข้าใจเรื่องขันขันห้าทั้งหมดเลยนะ ก็ไปหยิบเล่ม น, นี้มาอ่านอยู่เล่ม27ะน ะ, ะนขันทวารวัตคสังยุตตกายสังยุตตนิกายขันทวารวัตรพูดถึงเรื่องขันห้าเป็นเล่มอ่ะคิดดูที่ว่าเป็นเล่มอ่ะแล้วเรามีความรู้แค่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณจบเท่านั้นเองสบายมากอย่งดูไล่ไปอีกหน่อยเออรูปรูปแค่รูป28แต่ก็ไม่ได้เอามาสงเคราะห พราว่าเขบอกว่ารูปยี่สิบแปดเนี่ยเราก็เอียงไปในทางพระพิธรรมเต็มที่เลยแล้วก็ไม่พิจารณาอะไรต่อไปเลยแต่เรามาดูถึงกายานุปัสสนานี่นะครับท่านพูดถึงเรื่องรูปอย่างเดียวนี่นะถ้าเราไม่รู้อาการสารทีสองนะเราก็จะมาส่งข้อสัมพันธ์กันไม่ได้ใช่ไหมเรก็ไม่สามารถจะหยิบในหนึ่งในสารทีสองมาเนี่ยมาพิจารณาว่ามันเป็นมหาภูต ร, รูปมันเป็นอุ ป, ปาทายรูปยังไงมันมีเหตุเกิดยังไงมันมีมันเกิดยังไงมันดับยังไงอะไรนี่นะครับ มันมีคุณยังไงมันมีโทษยังไงไม่รู้เรื่องเลยครับเจพนพานเพราะฉะนั้นก็ก็ขอชักชวนให้ไปอ่านเนอะ